ประวัติวัดถ้ำตับเตา่าหมายเหตุประวัติวัดถ้ำตับเต่านั้นเป็นประวัติที่สืบทอดต่อกันมาไม่ใช่คําบอกเล่าของหลวงปู่มั่นนะครับในหนังสือท่านนํามารวมไว้คงน่าจะเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบด้านอื่นเท่านั้นวัดถ้ำตับเตา่าเป็นศาสนาสถานโบราณ น, นานนับเวลาหลายร้อยปีมาแล้วตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่สิบสาม บ้านทํำตับเต่าตำบลสีดงเย็นอำเภอช้ยประการจังหวัดเชียงใหม่มีลำธาร น, น้ำใสสะอาดไหลผ่ากลางบริเวณวัดไหลามาจากนนองน้ำเล็กๆที่เกิดจากตาน้ำผุดห่างไปทางด้านหลังถ้าประมาณหนึ่งกิโลเมตรเศษวัดทําตับเต่าจะสร้างในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏแน่ชัดต่างคาบอกเล่าของเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันในขนาดนั้น คือพระอาจารย์ศิลปชัยยานาวโรท่านสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกล่าวพระองค์ยกกองทัพหน้าเพื่อจะเข้าตีพมา่าและตีเมืองตองอูในประมาณปีพุทธศักราช2135และสมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงยกทัพหลวงไปทางเชียงดาวเข้าพักพลที่เมืองหางซึ่งขนาดนั้นเป็นเมืองในราชอาณาจักรไทย วัดถ้ำตับเตาเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากคำว่าดับเตา่าหมายถึงดับขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของป่าไม้ด้วยไฟนานๆเข้าก็เพี้ยนไปเป็นตับเตา่าคนในภาคอื่นไม่ทราบความหมายเรียกขานว่าถ้ำตับเตา่าซึ่งมีความหมายคือตับของสัตว์ชนิดหนึ่งตับเตา่าเพี้ยนมาจากคำในภาษาพูดของคนในภาคเหนือ ที่พูดว่าดับเต้าคือดับขี้เท้านั่นเองตำนานถ้ำตับเต้าในสมัยตอนปลายพุท ธ, ธากาลขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนพรรษาชราภาพมากแล้วหลังจากทรงตราตรัมพระวรกายในการเที่ยวประกาศพระศาสนาในถิ่นฐานต่างๆจนมีพุทธสาวก และพุทธบริษัทสีเป็นปึกแผ่นจนจะได้เวลาเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพานตามคำทูลอารัธนาของพญามารพระพุทธองค์ได้เสด็จรับบิณฑบาตอาหารที่ประกอบขึ้นด้วยสุกร r ัตถะจากนายจุนทะหลังจากรับบิณฑบาตพระพุทธองค์ก็ทรงพระประชวนมีอาเจียนบ่อยเพราะอาหารเป็นพิษขณะที่ทรงประชวนอยู่นั้น ก็ได้เสด็จมาประทับพักอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งพร้อมด้วยพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ถ้ำนี้ความได้ทราบถึงพระสงฆ์สาวกจํานวนห้าร้อรูปก็ผ่านกันเดินทางมายังถ้ำแห่งนี้เพื่อเข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการประชวนพระสงฆ์เหล่านี้บ้างเป็นพระอรหันต์สําเร็จอภิญญาบางเป็นพระอาริยะเจ้าระดับรองลงมา บางอย่างเป็นพระสุปฏิปันโนที่เป็นกะะนัลยาณปนภทุชนอยู่ก็มีเมื่อทราบพระอาการหนักหนาสาหัสก็มีความเห็นให้พระสงฆ์สาวกผู้สำเร็จอรหันทรงอภิญญาออกไปบอกหมอชีวกโกโมารพัฒให้มารักษาพยาบาลปายหมอชีวกโกโมารพัฒก็เดินทางมาพร้อมพระอรหันต์เจ้าให้โอสถเพื่อรักษาพระอาการประชวนแต่รักษาอยู่ได้สามวัน พระอาการก็ไม่บันเทามีแต่ซุดลงก็ให้พระอาหารหันต์เจ้ารูปเดิมนั้นเดินทางไปเชิญพระฤาษีผู้เป็นอาจารย์ประสิทธิ์ประสานวิชาแพทย์แก่ตนให้เดินทางมาทําการรักษาพยาบาลฝ่ายพระฤาษีผู้อาจารย์ก็เดินทางมาพร้อมด้วยยาสมุนไพรจํานวนมากเมื่อตรวจดูแล้วรู้ว่าจะรักษาด้วยยาธรรมดาไม่ได้แต่มียาอยู่นาะหนึ่ง เรียกว่าเป็นยาวิเศษรักษาอาการป่วยได้ทุกอย่างจึงขออาราธนาพระอรหันเจ้ารูปนั้นไปเอายามาให้พระอรหันรูปนั้นเวียนไปเอายาถึงสามครั้งก็ไม่ตรงตามต้องการตกลงมอชีวกโกมรพัฒต้องเดินทางกลับไปเอามาด้วยตนเองโดยอาศัยอิทธิฤทธิ์ของพระอรหันเจ้าองค์นั้นช่วยพาไปและกลับมาโดยเร็ว เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่อาจรอดพ้นจากข่ายพระญานของสมเด็จพระสุคตเจ้าไปได้พระองค์ก็ปรารภแก่พระอานุ์พุทธอนุชาว่าตถาคตได้รับอารัธนาจากพระยามานเพื่อเสด็จเข้าสู่พระปรินิพานแล้วประการหนึ่งและยังได้รับบิณฑบาตอาหารมื้อสุดท้ายที่ทําให้สำเร็จพระลานิสง์เป็นอันมากแก่ผู้ถวายคือนายจุนทะถ้าพระองค์ทรงรับเอาโอสด จากพระฤาษีมาฉันทำให้หายอาการประชวนก็จะไม่เป็นการรักษาสัจจะแกพยามาณและจะทำให้อาหารเมื่อสุดท้ายนี้ที่ได้รับบิณฑบาตไม่มีพลานิสงแกผู้ถวายเต็มที่จำเป็นจะต้องหาทางไปจากถ้ำแห่งนี้เพื่อแสวงหาสถานที่อันเหมาะสมแก่การเสด็จดับขันเข้าสู่พระบริิีพัน สมเด็จพระพุทธองค์ทรงตั้งสัจจาทิฏฐานว่าขอให้เพาดานถ้ำจงบังเกิดเป็นโพรงเพื่อจักพาพระอานนทพุทธอุปถากสเสด็จเหาะหนีไปทางอากาศได้พระพุทธองค์ก็พาเอาพระอานนทเสด็จเหาะไปยังเมืองกุศินาราการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จเหาะหนีไปนั้นทำให้พระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชน ผาากันโศกเศร้าร่ำไห้คร่ำครวญส่วนที่เป็นพระอาริยเจ้าก็สงบสติสำรวมพิจารณาเหตุการณ์ด้วยธรรมและต่างก็ผากันสแสวงหาสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมต่อไปตามควรแก่ตนเมื่อพระสงฆ์เหล่านี้ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วครบถ้วนก็ผาากันมาอย่างบริเวณหน้าถ้ำแห่งนั้นพร้อมกันดับขันนิพพานหมดสิน้น ทิ้งให้ซากศพทอดร่างไว้บนพื้นปัตภีและส่งกลิ่นเน่าเหม็นตลบไปทั่วทั้งป่าบริเวณนั้นพระอินทร์จึงได้ให้เทพบุตรตนหนึ่งนำไปเอาไฟทิพย์จากสวรรค์มาเผาพลาญซากศพพระอาหารหันตเหล่านั้นไฟทิพย์นี้มีความร้อนแรงยิ่งหนักส่งความร้อนไปถึงเมืองบาดาลแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่ของพญานาคชื่อว่าอุรุนาคราช พญานาคตนนี้จึงนำบริวารพันหนึ่งจำแรกแผ่นดินขึ้นมาหลองที่พญนาคนำบริวารจำแรกแผ่นดินขึ้นมานี้คือตาน้ําผุดที่ก่อให้เกิดหนองน้ําเล็กๆด้านหลังถ้านั่นเองหนองน้ําแห่งนี้ได้ไหลเป็นลําธารใสสะอาดผ่านบริเวณวัดและไหลลงสู่แม่น้ําฝางไปทางทิศตะวันออกพื้นดินบริเวณวัดถ้ำตับเต่า และบริเวณใกล้เคียงจึงเป็นพื้นดินที่มีสีขุนขาวคล้ายคี้เท่าปนอยู่และจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงยุคสมัยพระศรีอาริยาเมตรัยพระพุทธองค์ยังได้ทำนายไว้อีกว่าสถานที่แห่งนี้จะได้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเมื่อการเวลาผ่านกึ่งพุทธกาลไปแล้วอันหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสเล่าถึงอดีตของพระอรหันต์เจ้าทั้งห้าร้อยรูปที่พากันมาถวายบังคมเยี่ยมพระอาการประชวนและต่อมาสำเร็จอรหัตผลและพากันมาดับขันสู่พระนิพพานณที่นี้พร้อมกันว่าในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหากัสปะพระองค์ได้นาพระสงค์สาวกเดินทางมาพักพระอิริยาบถณธรรมแห่งนี้ ได้สวดท่องบทพระธรรมเทศนาที่ได้รับฟังมาด้วยเสียงอันไพรอกกลางวานฝูงข้างข้าวจำนวนห้าร้อตัวที่เกาะอยู่ตามเพดานถ้ำได้ฟังกระแสเสียงอันไพรอกกลางวานนั้นก็มีความเคลิบเคลิ้มจิตตกผวังหล่นลงมากระทบพื้นหินตายด้วยอำนาจผลแห่งบุญที่เหล่าข้างข้านั้นได้สดัะรับฟังพระธรรมเทศนาก็พาเกิดบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง มีปราสาทวิมานสูงถึงส2โองยอรุ่งเรืองงดงามด้วยความเป็นทิพย์แดนสวรรค์แห่งนั้นพลันมีปราสาทเรียงรายกันไปดุดนิ้วมือถึงห้า้อองค์เหล่าเทพพบุตนี้จึงมีชื่อเรียกว่าอังคุลีเทพพบุตรัรนเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าลงมาบังเกิดเป็นพระสิทธะกุมารและออกผนวตราเทพ ลงมาบังเกิดก็ได้ออกบวชเป็นนักบวชในพระศาสนาของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าและสำเร็จพระอรหันต์โดยครบถ้วนทั้งห้าร้อยองค์ฝ่ายพระฤาษีอาจารย์หมอชีวกโกมารพัฒเมื่อไม่อาจจะถวายโอสถอันวิเศษยิ่งนี้แก่พระพุทธองค์ให้หายพระประชวนได้ก็มีความเสียใจยิ่งนักยกมืออันสันเทาที่กาถ้วยโอสถขึ้นพลางกล่าวว่า อันโอสดวิเศษของตูนี้จะไม่มีไว้สําหรับรักษาผู้ใดอีกต่อไปไม่มีประโยชน์อันใดอีกแล้วที่จะรักษาไว้ว่าแล้วก็ศาสตร์โอสถวิเศษนั้นทิ้งไปทั่วบริเวณทําให้พื้นที่ดินบริเวณแถบถ้าตับเต่านี้มีพืชสมุนไพรขึ้นจํานวนมากมายหลายชนิดแต่เพราะอํานาจคํากล่าวที่คล้ายคํำสาบว่าไม่มีประโยชน์อันใดจะรักษาไว้ จึงทำให้พืชสมุนไพรที่เกิดขึ้นในบริเวณภูเขาถ้ำตับเตา่ามีคุณภาพในการประกอบขึ้นเป็นยารักษาโรคต่างๆอ่อนมากไม่เหมือนสมุนไพรชนิดเดียวกันที่เกิดขึ้นในที่อื่น